ในวันนี้เป็นวันที่สิบท่านในอำเภออปนาโยงของเราท่านได้นิมนต์เนื้อวักเรียนหลวงพ่อว่าวันนี้จะมีการมุดน้ํำราหัวตามประเพณีท้องถิน่นประเทศไทยของเราพูดง่ายๆท่านจะได้ทําพิธีกรรมพิธีการมุดน้ํำราหัวเพราะว่าวัน วันที่สิบเอ็ต่อไปนี่ข้าราชการทุกหมู่เหลาก็คงจะยุ่งยากก็คงจะไม่ได้มารวมกัน ร, ร่วมกันทําพิธีเพราะนั้นวันนี้จึงได้นัดข้าราชการทุกหน่วยที่มาวัดของหลวงพ่อตอนเช้าเพื่อจะทําพิธีมุดน้ํำราหัวอย่างเป็นประเพณีเป็นประเพณีอันดีงามของ โบราณที่ท่านได้จัดเป็นพิธีของเมืองไทยของเราการมุดน้ำดำหัวหรือกว่าการเคารพครวะพูดวัยวุตคุณวัตเป็นผลดีถ้าว่าพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีวัยวุตคุณวัตพวกเราก็ตีเสมอกันไปหมดการปกครองการดูแลการ แยกแยะก็คงจะไม่เป็นผลดีในการอยู่ร่วมกันในเมื่อพวกผู้สูงอายุที่เขารู้แล้วว่าการอยู่ด้วยการควรจะจัดการยังไงดูแลกันยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขได้เพ น, นั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงท่านจึงบอกทิศหกทิศหกพวกเราเห็นแต่ได้ยินแต่ทิศสี่ ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อันนี้ทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดก็คืออุดรานบุรพาอาคเนทักศิลนอันนี้คือทิศทั้งแปดแต่ทิศทั้งหกเนี่ยพวกเราคณะสัตยาญาติโยมคงไม่เคยไม่ค่อยได้ยินทิศทั้งหกแต่นี้พุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจําแนกให้เป็นทิศทั้งหกทิศทั้งหก เพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสักยท่านบอกว่าผู้ที่จะอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมต้องปฏิบัติให้ถูกทิศทั้งหกไพระพุาาทธเจ้าท่านว่าต้องปฏิบัติ ต, ต่อทิฏทั้งหกให้ถูกต้องถ้าว่าพวกเราปฏิบัติ ต, ต่อทิศทั้งหกที่ถูกต้องแล้วการอยู่ด้วยกันจะสงบร่มเย็นเป็นสุขทุ่นหน้ากันในสมัยหนึ่งท่านว่าสิงคารมานพ เป็นเด็กหนุ่มกรุงราชคฤห์ไปเรียนหนังสือที่เมืองตะกะศิลาตะกะศิลาทุกวันนี้ก็คือเมืองทาริบันประเทศอินเดียของทาริบันนะคณะทายาทโจรเรีเมืองตะกะศิลาเก่าที่พวกเราได้ยินมากมีคณ า, าจารย์มีคณะอาจารย์สอนอยู่ที่มาอยู่ที่สมัยนั้นยุคสมัยนั้นที่ว่าเป็นทิศ ป, ปาโมกอาจารย์ก็คือเมืองตะกะศิลา ตอนนี้สิงคลามานพเนี่ยไปเรียนหนังสืออยู่เมืองตกศิราเพราะพ่อของท่านเป็นระดับขันเศษฐีในเมื่อเรียนจบมาแล้วก็รีบกลับมาเพราะกลับมามาพ่อก็ป่วยหนักพอพ่อป่วยหนักก็เข้าไปดูใกล้พ่อพ่อก็เข้าไปแล้วก็พ่อก็จับมือเหมือลูกชายก็สั่งเสียลูกชายว่าลูกเอ้ยต่อไปนี้ก็คงจะให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ปกครองดูแลพี่น้องลูกหลาน สมบัติของพ่อมอบให้ลูกดูแลนะลูกนะแต่ถึงยังไงก็ขอให้ลูกปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้งหให้คารวะทิศทั้งหให้เคารพทิศทั้งหให้มีสัมมาคารวะต่อทิศทั้งหนะลูกนะจึงจะเจริญแต่ลูกชายเขาไม่ได้ถามและอีกอย่างหนึ่งพ่อก็อาการหนักอยู่แล้วเพสั่งเสียกันให้คลายกระว่าได้ยินแลไม่ได้ยินแหลลักษณะอย่างนั้นแหละ จากนั้นพ่อก็เลยใจขาดก็เลยตายพ่อตายไปแล้วตอนนี้สิงคารมานพเนี่ยก็จัดการเรื่องงานศพของพ่ออย่างถูกต้องเป็นธรรมในยุคสมัยนั้นพอเสร็จแล้วล้วก็สิงคารมานพก็มาคิดถึงคำสั่งเสียของพ่อว่าลูกเอ้ยให้เคารพคิดทั้งหกนะลูกเนี่ยคานี้อยู่ในใจของสิงคารมานพจากนั้นตั้งแต่วันนั้น มาเนี่ยพอจัดงานศพเรียบร้อยแล้วสิงคารลมานพก็ออกไปในในท้องนาหรือชายทุ่งหรือสนามหญ้าที่เหมาะสมจากนั้นสิงคารลมานพก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใต้ยกมือ ไ, ววอไวหออไว้บนท้องฟ้าอากาศแล้วก็ยกมือไหว้ลงไปในแผ่นดินก็ครบ6กพอดีฮ เออทางเบื้องบนและเบื้องต่ําทําอย่างนี้ทุกวันทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนอกหนาวทั้งตินฟ้าอากาศจะแปรปรวนยังไงก็ตามสิงขารมานพเป็นผู้มุ่งมัน่นเพราะว่าได้รับคําสั่งจากพ่อให้ขรวทัทิศทั้งหเพราะฉะนั้นตอนเช้ามานึ่ออกไปแล่วไปขรวทัทิศทั้งหไม่ได้ขาดแต่นี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่ที่กรุงราชคือที่วัดป่าเวลุวนัน วันตอนสว่างท่านก็นั่งสมาธิมองดูชายญาณทัตชนะมองดูโลกว่าใครจะมีอุปนิสัยที่จะได้แสดงธรรมให้ฟังในวันนี้ท่านก็มองไปเห็นสิงขารมานพเข้ามาในข่ายคือพยานหรือวเข้ามาในจอเรดาร์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามองเห็นเออสิงขารมานพ่มีอะไร ท่านกรอ้องอึงสินค้ารมาโนบเนี่ยเขาเป็นผู้ซื่อสัตว์ชื่อตรงเป็นผู้จงรักภักดีเป็นผู้นําทําคําของพ่อสั่งออกมาปฏิบัติแต่เขาปฏิบัติไม่ถูกเขาปฏิบัติผิดเพราะเขาเข้าใจผิดแต่ตามไม่จริงทิศ ท, ทั้งหกเนะี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาทํามันต้องมิน้นลึกซึงกว่านั้นที่พ่อเขาบอกแต่เพราะพ่อเขาไม่มีเวลาที่จะแนะนําลูกของเขาเอแต่เราจะไป แนะนำเขาเราจะไปสอนเขาในวันนี้จากนั้นพอสว่างขึ้นมาพระพุทธองค์ก็เดินไปบินทบาทไปกับพระอนนจะเด็จพระอ น, นุเป็นปัจฉามนะคือเดินตามหลังพระพุทธเจ้าพระพธองค์ก็เดินนาหน้าพระอ น, นุ์ก็เดินตามหลังเพื่อการบินทบาทจากนั้นพอไปเห็นสิงค์าลมาโนบ อ, อ, อยู่ในสนามท่านก็เหมือนกันเล่นมวยแก๊กอย่างนั้นแหละพวกเราคงจะเห็น มวยแก๊กเดี๋ยวปลอกไปทางโน้นปลอกไปทางนี้นกนยกซ้ายยกขวา ย, ยกหน้ายกหลังเดี๋ยวกยกขึ้นฟ้าแล้วก็ยกลงดินนะ พ, พระองค์ก็เดินผ่านไปถามพระสิงหคารมานุเธอทําอะไรเขาก็บอกว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าขาดทําไมจึงจึงได้ไหว้เพราะเพราะบีดาของข้าพระองค์ได้สั่งเสียเป็นวาจาสุดท้ายข้าพระองค์เห็นว่าเป็นวาจาที่ลูกทุกคนจะต้องปฏิบัติ เพราะว่าให้คารวะทิศทั้งหกข้าพองค์มองเห็นว่าทิศทั้งหกก็คือทิศเหนือทิศใ ต, ต้พระพุทธองค์บอกว่าไม่น่าจะใช่นะสินค์าลมานพปราดหรือบัณฑิตเขาแนะนําสอนบอกทิศทั้งหกไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เธออยากจะศึกษาไหมอยากจะฟังไหมอยากจะฟังพระเจ้าข่าหรือเอัปนรมึงนั่งยืนฟังพระองค์ก็ยืนพูดให้ฟังนะว่า ทิดทังหกนะั้นคือท็เบื้องหน้าคือมารดาบิดาเทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาบุตรธทิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราได้ร่างกายจากพ่อแม่มีใครบ้างที่ไม่ได้รับร่างกายมาจากพ่อแม่มีไหม ม, มีทุกคนได้รับมาจากพ่อแม่ทุกคน นี่แหะเมื่อเราได้รับร่างกายจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นบุพายาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุท ธ, ธิดาสอนหมดทุกอย่างเมื่อให้ร่างกายมาแล้วยังสอนอีกอาบน้ำอย่างนั้นนะกินข้าวอย่างนี้นะทายอย่างนั้นนะจนถึงวันเรียกพี่ป่านาอาอย่างนี้นะจดจากนั้นก็ส่งเข้าโ ร, รงเรียนจนถึงที่สุดนี่ละคือพ่อแม่เป็นบุพาาจารย์เป็นอาจารย์ของบุท ธ, ธิดาและก็พร้อมกัน เ, เป็นบุพการี บุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่เพราะนั้นพวกลูกทั้งหลายควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าคือบานมารดาปิดาคือพ่อแม่ปฏิบัติตอนอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาจะต้องปฏิบัติให้ดูแลพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบไม่ปล่อยประละเลยนะเอไม่ใช่ว่าจะดูถูกเกียดหยามพ่อแม่ไม่ได้นะท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเห็นไหมพวกเราเห็นพ่อแม่เขาเลี้ยงเด็กไหมลูกของเราเป็นยังไงแล้วคนอื่นเลี้ยงล่ะถ้าเราไม่มีลูกก็เห็นคนอื่นเขาเลี้ยงอยากยาไหมเนี่ยเมื่อเขาเลี้ยง ล, ลูกเข้ามาแล้วเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ไม่ทุกเออเราต้องแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาตอบแทนพระคุณของท่านเนี่เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านมีกิจธุระอะไรของพ่อแม่เราต้องเข้าไปช่วยเข้าไปดูงดูแลเพราะกิจการของพ่อแม่นั้นได้เลี้ยงดูเรามาแล้วตั้งแต่เราเกิดมาท่านได้ทากิจการอันนั้นเลี้ยงเรา ทําไล่ทํานาทํารัว้วทำสวนทําราชการงานเมืองอะไรก็ตามเลี้ยงเรามาจนเราเป็นผู้ใหญ่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่พอที่จะช่วยท่านได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยกันจะช่วยในตําแหน่งไหนเข้าไปหยิบหนังสือเหยีบหยบิบกระดาษให้ท่านก็ยังดีฮทำกิจธุระของท่านดํารงวงศุลในการที่จะดํารงวงศสกุลนี่เราควรเป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีอย่างไรเราก็มองพ่อแม่ เอาตัวอย่างของพ่อแม่มานำมาใช้อันนี้นำลงวงศ์สกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกอันนี้เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชะลาลงไปมรดกท่านจะมอบให้แก่ใครถ้าไม่มอบให้แก่ลูกเพราะนั้นลูกทุกคนประพฤตตนพร้อมหรือยังดีหรือยังถ้าโลกกินเหล้าเมายาสุลานารีพาสีกีฬาบัตรเกเรเกตุงน่ะพ่อแม่จะมอบทรัพย์สมบัติให้ไหม ถ้ามอบไปไปมันก็ต้องจิบหายแนๆนะ่ๆพ่อแม่ก็ต้องคิดนีอันนี้ต้องตัวเองต้องประพฤตินตนจะทํำยังไงเป็นคนดีให้ไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วสิ่งไหนที่มันเสียหายเราจะไม่คบเราจะเป็นคนดีนั่นแหละทีนี้พ่อแม่ก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจจากน่านท่านก็มอบมรดกให้แบ่งมรดกให้ถึงจะแบ่งยังไงลูกของเราก็คงจะรักษามรดกไว้ให้เกิดประโยชน์ นี่พ่อแม่ก็ไว้ใจแค่ว่ า, าให้เตรียมตัวรับทรัพย์มรดกประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านไอ้อันนี้เมื่อท่านเมื่อพ่อแม่ตายลงไปท่านก็ไม่ให้ปล่อยปล่านเลยนะท่านให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างวันนี้ละพวกเรามาทําบุญกัอดวงวิญญาณของพ่อของแม่สิ่งจะถิตอยู่ณนะถิดด่ใดเอ้ ถ้าหาว่ามีทุกตกทุกใดายาก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนภูษุส่วนข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีคุณงามความดีนี่แหละจะเป็นเครื่องเกือ้อกูลหนุนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าด้วยเทินนี่แหละแต่ทําความชั่วอุทิศไม่ได้นะทําความดีท่านจึงอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ได้นี่แหละอันนี้คือเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยยังอยู่กับเราอยู่ตั้งแต่ศรีรษะจนถึงเท้าเนี่ย ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราเอาศีรษะกับเท้าหรือร่างกายของเราทุกส่วนไปสร้างคุณงามคุณดีหาเงินคําทรัพย์สมบัติพอได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วเราทําบุญเราคนน้องบทที่ส่วนกุศลแค่วคๆว่าต้นทุนอยู่กับเรายังมีอยู่เราเอาต้นทุนนี้ไปทํามาค้าขายจากนั้นก็แบ่งผลกําไรให้แก่พ่อแม่ไอันนี้คือทางที่ถูกต้องมีพระพุทธเจ้าท่านสอนสิงฆารมานนทิศเบื้องหลัง สามีภรรยาสามีภรรยาก็ทำให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราเป็นสามีแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่หรือ ว, ว่าเป็นภรรยาแล้วก็มีอำนาจบาดใหญ่ไม่ใช่ต้องเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีกันเพราะว่าสามีภรรยาเนี่ย เ, เป็นบุญคู่ครองกันมาแต่อดีตจะชาติก็ใช่แต่มาอยู่ด้วยกันก็ควรจะสิ่งไหนที่มีประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดี ควรจะเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันสิ่งไหนที่มันเป็นหายนะอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำอัอนนี้ปฏิบัติให้ถูกต้องในสามีภรรยาอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เราเรียนหนังสือครูโรงเรียนประถมมัธยมจนถึงปริญญาตรีโทเอกล้วนแล้วจะมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนทั้งนั้นอันนี้เราทิศเบื้องขวาอาจารย์เมื่อเห็นอาจารย์เข้ามาในชุมชนมาในกลุ่มของเราลุกขึ้นยืนรับ ไปยืนเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัด้วยตั้งใจเรียนศินละปะวิทยาจากอาจารย์นี่แหละคือเห็นอาจารย์มาต้องแสดงความนอบน้อมต่ออาจารย์ไม่ให้เออมื่ออาจารย์เข้ามาจะทำท่าหันหลังให้มองไม่เห็นกระทั่งอาจารย์แล้วอาจารย์จะประสิทธิ์ประสานความรู้ความฉลาดให้เราได้อย่างไรเพราะครูบาอาจารย์ถึงท่านจะให้ไปวิชาความรู้ของท่านมันก็เต็มเย็ดอยู่เหมือนกันพร้อมที่จะให้เราเพราะฉะนั้น เราต้องปฏิบัติถูกต้องในทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายมิตรสหายก็คือพวกเราถ้าอยู่เกิดขึ้นมาแล้วทําบริษัทท่างร้านก็ดีจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีต้องมีหมูมีเพื่อนถ้ามีกัญญาณมิตรที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าหาว่าคนคนเดียวเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีหมูมีเพื่อนจะหาความเจริญได้อย่างไรพวกเราต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะ อันนี้ก็คือทิฏเปื้องซ้ายมิตรสหายต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต้องรักเคารพเมตตาแบ่งปันให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอกับเร า, เามิตรสหายให้เสมอกับเราอันนี้คือกัลยาณมิตรทิศเปื่องซ้ายมิตรทิศเปื้องบนสมณพรามสมณพรางไปเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งคืออย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนา คณะสัตธาญาติโยมมาหลวงพ่อจะได้แนะนําสั่งสอนว่าเออคณะสัทธาญาติโย ม, มอ เ, อ, เ อ, าามอย่างนู้นอย่างนี้นะอันนั้นผิดอันนี้ถูกอย่างที่หลวงพ่อทิศ ท, ทั้งหกคืออะไรอย่างนี้แหละอันนี้คือสัมมาณพราหมณ์ผู้ที่ชนะสัตธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องก็หลวงพ่อจะเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวอันนั้นผิดผิดอันนี้ถูกอันนั้นนรกอันนี้สวรรค์อันนี้สิ่งควรไม่ควรอันนี้เรียกว่าสัมมาณพราหมณ์ คือทิศเบื้องสูงและทิศเบื้องต่ําบ่าวคือคนรับใช้คนงานก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าไปเอารัดเอาเปรียบเขาจนเกินไปควรจะแบ่งปันอย่างไงให้กับเขาเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องดูแลเขาอันนี้คือทิศเบื้องต่ำเบ่าวถ้าบ่าวของเราแต่รับความอบอุ่นจากเจ้านายจากตัวของเราเขาก็ตั้งใจทําการทํางานกิจการงานของเราก็จะเริญรุ่งเรืองไปได้เพราะเหตุใดเพราะเบาว คนรับใช้ของเราเป็นไม้เป็นมือของเราอย่างดีนี่แหละถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ที่ท่านสอนไว้สองพันกว่าปีนํามาพิจารณาการคลองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วมีประโยชน์มากอทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเป็นยังไงทิศเบื้องหลังสามีภรรยาปฏิบัติต่อตนต่อต่อกันอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะร่มเย็นเป็นสุข เบื้องขวาคูบาอาจารย์เบื้องซ้ายมิตรสหายเบื้องบนสมณะพราหมณ์เบื้องต่ําคนงานคนรับใช้ลูกน้องของเราเนี่ยตั้งพวกเราปฏิบัติถูกต่อทิศตั้งหกแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้นํำทำคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเมื่อไปปฏิบัติแล้วชีวิตทั้งชีวิตของเราจะราบรื่น อย่างที่พ่อของสิงขารมานพท่านสอนลูกท่านนะให้คารวะเคารพนอบน้อมทิศทั้งหกนะ้าลูกนะนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ได้อธิบายทิศทั้ง6ให้แก่สิงขารมานบฟังเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้นําไปปฏิบัติต่อบิดามารดาของเราเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องหลังสามีภรรยาอย่าไปทะเลาะกัน ให้ลูกให้หลานเขาได้เห็นแอ่ทิศเบื้องขวาอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ให้เคารพทิศเบื้องซ้ายหมู่มิตรสหายิกยารญาณมิตรต้องมีสมณฉี่พาราหม์ก็ต้องเข้าไปคบค้าสมาคมเพื่อศึกษาแนวทางแนวความคิดทางด้านจิตใจสมณพราหมณ์ท่านจะสอนในแนวทางด้านจิตใจไม่ใช่จะขอนสอนแต่ร่างกายท่านก็จะสอนทางด้านจิตใจด้วยคนเราเกิดมานะ ไม่ใช่แต่มีอาแต่อาหารกายนะคณะสัตธา ญ, ญาโจมนะอาหารใจก็มีหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่ากายร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถแต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจเรื่องคนขับรถมากกว่ารถแต่โลกทั้งโลกวันนี้ไม่ว่าเอชุมชนกลุ่มชุมชนไหน เขาให้ความสําคัญเรื่องร่างกายมากกว่าจิตใจเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกจึงเดือดร้อนเพราะเหตุไรเพราะใจไม่ได้รับการอบรมใจไม่ได้รับการแนะนําสั่งสอนไปในทางที่ดีถ้าหากว่าจิตใจได้รับการคิดในทางที่ดีนี่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคิดในทางที่ดีคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่เอารัดเอาเปรียบคิดมีแต่ความเฉลื่อเผื่อแผ่คิดใออกไปได้มีแต่เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันละกันเขาต้องการความสุขอย่างไร เราก็ต้องการความสุขอย่างที่เขาเพราะฉนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันละกันถือว่าญาติพี่น้องของเราเพื่อนมนุษยชาติแต่ว่าถ้าหาว่าคนไหนเกเรออคนนั้นเราก็ต้องประนามแต่คนไหนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจ ร, ริยธรรมที่ดีเราก็ให้ความเคารพนับถือหรือว่ายกย่อง อ, อ, อยู่ในชุมชนของพวกเราอันนี้แล้ว่ใจดี แต่ร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันขนาดไหนทนุถนอมขนาดไหนร่างกายนี่ไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่แก่ไปเรื่อยแก่แก่แก่แก่ผลในสุดก็ถึงจุดจบอันนี้คือเราพูดกันตามความเป็นจริงร่างกายเนี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็ถึงจุดจบแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นพรอพูดไปเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจทุกอย่าง ใจเป็นนายกายเป็นเบาคือกายเป็นลูกน้องของใจแต่พวกเรามองไม่เห็นจุดนั้นะใจเรามองไม่เห็นถ้าเราอยากจะมองเห็นมีวิธีกรรมไหมมีวิธีกา ร, ร ม, มีพระพุทธเจ้าตทว่านั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอยู่ในมุมสงบจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดูให้ดูลมหายใจเมื่อสติสัมปชัญญะ อูที่ลมหายใจเข้าออกแล้วใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วคือใจไม่คิดถึงอดีตใจไม่คิดถึงอนาคตนะคือใจไม่คิดถึงเมื่อวานวันก่อนเรื่องราวเป็นยังไงที่ผ่า น, านมาไม่คิดถึงอนาคตที่จะไปข้างหน้าไม่คิดถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อยู่ที่ปลายจมูกจากนั้นจิตจะรวมสงบพอสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นมันคนละอ่านกัน คนละอย่างกันแต่อาศัยกันอยู่เออเพราะนั้นท่านทั้งหลายให้รู้แต่ร่างกายนี่แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนนามะธรรมนั้นออกจากร่างแล้วไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้ไปปฏิสนธิที่อื่นได้ไปเกิดที่อื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านภาวนาในป่าดงพงไพ่ไปถามท่านเถอะว่าตายแล้วเกิดด้ตายแล้วสูญครูบาอาจารย์ ท่านจะยืนยันเป็นคําเดียวนะตายแล้วเกิดแน่นอนสิ่งแท่้เกิดนั่นคือคือใจไม่ใช่กายนะกายนี่แตกตายสลายเนี่ยนามมธทําตัวรู้รตัวนึกๆตัวคิดคิดนั่นแนหะตัวนั้นแหละมันจะไปเกิดแต่พวกวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ดีวิทยาศาสตร์ทุกหน่วยทุกแขนงก็ดีเข า, ขาตามมามาถึงตั้งแต่สมองสมองเนี่ยเป็นตัวต้นคิดนแต่ละของพุทธศาสนาท่านว่าคนที่มาใช้สมองอนั่นเนี่ยอีกตัวหนึ่ง แต่สมองเป็นเครื่องมือเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะี่ยคนมาใช้คอมพิวเตอร์นะอีกคนหนึ่งเไม่ใช่คอมพิวเตอร์คิดได้อย่างเดียวนะสมองมันมีอยู่อย่างงั้นนะเนี่อแต่ว่ามันคิดไม่ได้แต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์เนะี่ยคือใจเลยตัวนั้นละ่ะมากดนะเนี่ยกดสมองอีกทีหนึ่งให้คิดอะไรให้ใช้อะไรไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ไปในทางที่ถูกถ้าใจได้รับการอบรมดีได้รับธรรมคาสอนของะพท้ทธเจ้า อย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าโลภของอยากได้ของเขานะอย่าพยาบาทจ้าปองร้ายเขานะอย่าเห็นผิดจากทานองครองทำนะกายนะอย่าฆ่าคนอื่นนะอย่าคิดฆ่าคนอื่นนะเขาคิดฆ่าเราเราคิดฆ่าเขาหาความสงบไม่ได้นะเราคิดขโมยเขาเขาคิดขโมยเราหาความสงบไม่ได้นะเราไม่เคารพสามีภรรยาคนอื่นของเขาเขาไม่เคารพสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็ทุกข์ใจ เมื่อเราโกหกเขาเขาโกหกเรามีแต่โลกเต็มไปด้วยความโกหกเราจะหาความสงบองมเย็นเป็นสุขได้ไหมในชุมชนของเราไปที่ไหนมีแต่ดื่มสุรากินเหล้าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเป็นยังไงเอารถชนเฉียวกันแต่ละปีสงกรานของเราที่จะถึงอีกวันสองตามวันข้างหน้าดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นยังไงแล้วทาให้ใครเดือดร้อน ถ้าตัวเองดื่มเข้าไปแล้วก็อยู่ตามลําพังมันอีกอย่างหนึ่งแต่มันดื่มดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยทําให้คนอื่นเดือดร้อนหน่อยสินี่แหละสุราเมระยะมัชชะประมาเป็นอันตรายอย่างมากถ้าคนดื่มสุราขาดสติแล้วคนเป็นบ้าเนี่ยเป็นบ้าชั่วคราวคือคนขาดสติเอไม่ว่าคัญชายาฟินเฮโรอินอะไรก็ตามถ้าดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้เอขับรถก็ไม่ว่า เก่งทั้งหนักทั้งนั้นพลขาดสติเนี่ยขโมยใครก็ได้ลาลาบพวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้คนที่ไม่มีสินอันนี้แหะส้ำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเอีสิ่งที่เราไม่รู้ในโลกนี้มีมากเอย่างพวกนาซาก็เถอะเขารู้ได้แต่โลกพระจันทร์กับโลกพระอังคารดาวไม่กี่ดวงท่านเอง ดาวในท้องฟ้าของเราเนี่ยมองเลยสิและเย็บระยับเต็มไปหมดหนาซาเขาตรวจค้นพบประยักตรวจดูทุกดวงในอย่างนี่แหละสิ่งในโลกนี่มีมากมายที่เราไม่รู้เออถ้าเราไม่รู้เราต้องฟังไว้ก่อนแล้วก็ต้องฟังแล้วต้องศึกษาไปก่อนเอ อ, อเราจะไปเป็นแบบตาบอดอวดดีฮ้เออเขาบอกว่าเอ้ย อ, อย่าไปนะนะงูนะอย่าไปนะท่านนะเหยียบไฟนะอย่าไปนะท่านั้นะนะตกเหียวตกบ่อนะเอ้ยไม่กลัวฮ ตาบอดต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราจะเป็นประเภทตาบอดต้องมีหลักมิต้องมีเหตุต้องมีผลต้องฟังต้องฟั ง, ต, ง, ฟงต้องศึกษานะเพราะโลกนี้มีมากมายที่พวกเรายังไม่รู้นะวันนี้ก็ได้แนแนวให้แก่ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังแนวความคิดของในทางพระพุทธศาสนาต่ตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะพนุโมธนาให้พร เมื่ อ, อนุ ม, มทนาให้พรเสร็เจดเรียบร้อยแล้วก็ศรัทธาญาติโยงก็รับทานอาหารตามมัธยาัยเมื่อรับทานอาหารเสร็จแล้วก็วค่อยขึ้นมานะขึ้นมาที่จะทําพิธีกรรมพิธีการมุดน้ําดําหัวก็ค่อยว่ากันให้อิ่มท้องซะก่อนย่าค่อยว่ากันนะรับพรในตอนนี้นะ